ความเบื้องต้นในหนึ่งสือวิญญาณฉบับนี้ต้น 2 และ 3 แล 2509 ซึ่ง คือใคร่ๆแต่ความเป็นจริงแล้วชื่อนี้หา และทําต่อหน้าบุคคลหลายคนทําต่อหน้าบุคคลหลายคนเพื่อๆ ก็ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะจัดให้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 โอปปาติกาเมื่อถึงเวลาที่นัดที่จะตอบปัญหาจะเป็น เพื่อและเรื่องอันใดที่เห็นว่าได้มาซึ่งเพราะฉะนั้นราวที่เป็นจริง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 คนโดยมากมักจะเข้าใจว่าผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะ padreко เป็นผู้สักษริกันทั้งนั้นความเข้าใจของคนทั้งหลายแบบนี้ผิดมากเพราะฉะนั้นขอให้เขาทั้งหลายอย่า่ได้ตั้งความหวังไว้เป็นอันขาดว่าอย่าได้ตั้งความหวังไว้เป็นอันขาดว่าจะสามารถช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างและตอบปัญหาเราได้ทุกอย่าง รู้อะไรถูกต้องทุกอย่างอะไรถูกต้องตนแลเป็นที่พึ่งของตนอย่างทุกคนที่สนใจอัตโนคติ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 แล้วเสียง 3 2509 เวลา น. เว น. น, น, น, นเช่นอาจารย์สิริพัฒนาประภาพันธ์ สำหรับโอปปาติกะซึ่งเป็น 6 คนแม้มาชา είναι η μόνη φορά